ตอนที่ห้าิบสี่ปาใส่ค่าในเมื่อเราทั้งคู่ต่างก็ไม่ชอบแม่หนูตระกูลเย่คนนั้นมีสู้ให้เซินเอ๋อร์ไปเข้าเฝ้าฝาบาทเพื่อขอยกเลิกงานแต่งนี้เสียเลยละ่ะเดิมทีคิดว่าสิ้นอ๋องจะไม่คัดค้านเราะว่าใครจะรู้ว่าเขาจะปฏิเสธออกมาทันควันงานแต่งนี้ยกเลิกไม่ได้เซี่ยชิงจือคาดไม่ถึงส่วนหวางเฟยเองก็ชะงักไปครู่หนึ่งนี่ไม่ใช่ว่าท่านเป็นคนพูดเองหรือว่าอยากจะยกเลิกงานแต่งมิเช่นนั้นท่านจะไปทะเลาะ ก, กับเซินเอ๋อร์ทำไมกัน ทะเลาะ ก, กันจนหน้าดําหน้าแดงเกือบจะตัดพ่อตัดลูกกันอยู่แล้วท่านจะทําไปเพื่ออะไรกันสิ้นอ๋องนั่นมันก็แค่คําพูดประชดประชันตอนโมโหเท่านั้นจะถือเป็นจริงเป็นจังได้อย่างไรฟาบา ท, ทรงรับประกันแล้วหากจนสิ้นอ๋องก่อเรื่องอีกหรือทําให้แม่หนูคนนั้นต้องลําบากใจอีกถึงจะยกเลิกงานแต่งได้หากยกเลิกงานแต่งจริงๆนี้เช่ว่าจะเป็นไปตามที่เหล่ากัวกรมพูดปลอกหรือว่าจนสิ้นอ๋องของเราทําให้แม่หนูคนนั้นต้องลําบากใจ แล้วชื่อเสียงของจวนซินอ๋องจะเอาไปไว้ที่ไหนพูดไปพูดมาสุดท้ายก็เป็นเรื่องของหน้าตาทว่าหวังเฟยเองก็เป็นคนที่ให้ความสําคัญกับหน้าตาอย่างยิ่งจึงถึงกับพูดไม่ออกไปชั่วขณะทําเอาเสียชิงจือที่แอบฟังอยู่ร้อนใจจนแทบจะพุ่งตัวออกไปเองโชคดีที่ในที่สุดหวังเฟยก็เอ่ยปากขึ้นอีกครั้งแต่หากเป็นเซินเอ๋อที่เป็นฝ่ายไปขอฝาบาทยกเลิกงานแต่งเองเช่นนั้นก็ไม่นับว่าพวกเราทําให้แม่หนูคนนั้นลําบากใจใช่หรือไม่จะไม่นับได้อย่างไร สิ้นอองเอ่ออย่างหัวเสียเซินเอ๋อเป็นคนทูลขอสมรสพระราชทานเองพอเสร็จแล้วเซินเอ๋อก็เป็นคนไปทูลขอฝาบาทยกเลิกงานแต่งเองอะไรกันเห็นบุตรสาวภรรยาเอกผู้สูงสักของจวนก๋วกงเป็นอะไรนึกอยากจะแต่งก็แต่งนึกอยากจะทิ้งก็ทิ้งตามใจชอบอย่างนั้นหรือถ้าเป็นเจ้าเจ้าจะคิดอย่างไรเจ้าจะยอมหรือหวางเฟยสิ้น อ, องถึงตอนนั้นยังไม่ทันที่ทางจวนก๋วกงจะเริ่มโวยวายฝาบาทก็คงจะตำหนิจวนสิ้น อ, องก่อนเป็นอันดับแรก หวังเฟยนิ่งเงียบไปเสี้อชิงจือที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดก็ขมวดคิ้วตามนางไปด้วยถ้าอย่างนั้นตามที่ท่านอองพูดมาพวกเราไม่เพียงแต่จะเป็นฝ่ายเอ่ยปากยกเลิกงานแต่งก่อนไม่ได้แต่ยังปล่อยให้ทางโจรกัวกงเป็นฝ่ายยกเลิกไม่ได้อีกด้วยหรืออะไรกันท่านอองจะให้เซินเอ๋ยแต่งแม่หนูตระกูลเย่คนนั้นเข้ามาเป็นลูกสะใภ้จริงๆหรือตำแหน่งซื่อจื้อเฟย์ของเซินเอ๋ยก็ต้องยกผลประโยชน์ให้แม่หนูคนนั้นไปอย่างนั้นหรือสิ้นอองเองก็ขมวดคิ้วมุ่นด้วยความกลัดกลุ้ม เรื่องนี้ต้องพิจารณาให้รอบคอบต่อให้ไม่ชอบแม่หนูคนนั้นเพียงใดก็ต้องอดทนไปก่อนเราให้เปิดหวงังคิดให้ดีเสียก่อนดูว่าจะมีวิธีใดที่จะทําให้ฝาบาทเป็นฝ่ายเอ่ยปากยกเลิกสัญญามั่นหมายเองได้นั่นถึงจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดหวังเฟยเบ้ปากงานแต่งนี้ฝาบาททรงประธานให้กษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคําจะยอมตบหน้าตัวเองเพื่อยกเลิกได้อย่างไรคราวนี้ถึงตาสิ้นอ๋องที่ต้องเงียบไปบ้างหวังเฟยเอ่ยแก้ต่างแทนเซี่ยชิงจือด้วยความไม่พอใจ หากยกเลิกงานแต่งไม่ได้จริงๆเช่นนั้นชิงจือของเราไม่ยิ่งต้องลำบากใจหรือนางยอมแม้กระทั่งสละชีวิตตัวเองเพื่อไม่ให้ท่านถูกพวกขุนนางตรวจสอบเชียวนะอีกทั้งนางยังเติบโตมาพร้อมกับเซินเ อ, อ๋อพวกเรารู้จักนิสัยใจคณางดีมีตรงไหนที่ไม่ดีกว่าแม่หนูคนนั้นบ้างพอคิดว่านางต้องเป็นเพียงพระชา ย, ยารองข้าก็รู้สึกไม่คุ้มค่าแทนชิงจือจริงๆสิ้น อ, องถูกนางบ่นจนเริ่มรำคาญทำไมถึงไม่คุ้มค่าทำไมถึงบอกว่านางลำบากใจ เซนเอ๋อ er เป็นซื่อจือแห่งโจนสิ้นอ๋องของราวน่าสืบทอดบรรดาศักดิ์ของเปิรนหวางก็จะเป็นท่านอ๋องเดิมทีชิงจือก็เป็นเพียงบุตรสาวของเสนาบดีกรมกลาโหมทั้งยังไม่ใช่บุตรสาวที่เกิดจากภรยาเอกการได้เป็นพระชายารองของเซนเอ๋อ er, ก็นับว่าเป็นการตะเกียกตะกายขึ้นที่สูงแล้วหากมิใช่เพราะความสัมพันธ์ระหว่างเจ้ากับมารดาของนางนางอาจจะไม่มีคุณสมบัติแม้แต่จะเป็นพระชายารองด้วยซ้ํา หวังเฟยถูกต่อกลับจนพูดไม่ออกอีกครั้งผ่านไปครู่ใหญ่จึงค่อยๆเอ่ยต่ออย่างแผ่วเบาท่านอองแม้แต่ชิงจือท่านก็ยังไม่ชอบแล้วท่านหมายตาใครให้มาเป็นลูกสะใภ้กันแน่หรือจะเลือกแม่หนูตระกูลเยเวคนนั้นจริงๆสิ้นอองนิ่งคิดไปครู่หนึ่งตระกูลเยเวของนางเป็นตระกูลขุนพลมาเก้าชั่วอายุคนสร้างความดีความชอบทางการทหารไว้อย่างล้นหลามยามนี้คนในตระกูลทั้งสล้วนเป็นขุนนางคนสําคัญในราชสํานัก บุตรสาวภรรยาเอกเพียงคนเดียวของบ้านนั้นถูกเลี้ยงดูมาอย่างทนุธนองประดุจทองคําล้าค่าถือได้ว่าเป็นสตรีผู้สูงศักดิ์อันดับหนึ่งในเมืองหลวงเลยทีเดียวนอกจากนางแล้วก็ไม่มีใครที่มีฐานะสูงส่งคู่ควรกับเซินเอ๋อของเราได้อีกหวังเฟยยังคงมีความไม่ยินยอมอยู่บ้างท่านแบ่งแยกชนชั้นวรรณะเกินไปแล้วสิ้นอ๋องเริ่มโมโหพวกเราคือเชื้อพระวงศ์เรื่องฐานะและสายเลือด น, นั้นสําคัญยิ่งจะไม่ให้ความสําคัญได้อย่างไรหวังเฟยเงียบปิดไปโดยสมบูรณ์ ผ่านไปเนิ่นนานนางจึงถอนหายใจยาวออกมาหนึ่งครั้งถ้าอย่างนั้นเรื่องตำแหน่งพระชายารองของเซินเอ๋อท่านอองต้องให้ความเป็นธํากับชิงจือด้วยนะอย่างไรเสียนางก็ยอมสละได้แม้กระทั่งชีวิตเพื่อท่านสิ้นอองตอบปัดอย่างรําคาญใจได้ได้ตามใจเจ้าสามีภรรยาปรับความเข้าใจกันได้แล้วทว่าเสี่ยชิงจือกลับไม่อาจข่มโทสนี้ลงได้มือที่วางข้างลําตัวสั่นเทาไปหมด เพราะเหตุใดแม้แต่ตำแหน่งพระชายารองนางยังถูกมองว่าเป็นการตะเกียกตะกายขึ้นที่สูงแต่เ ย, ยวากลับได้เป็นเื้อจื้อเฟย์อย่างสมเหตุสมผลนางไม่ยอมแววตาพันฉายประกา ย, ยเย็นเย็บนางหันไปมองเจนจูที่อยู่ข้างกายทันทีพร้อมกดเสียงต่ํอาอังเงินออกมาเจนจูไม่กล้าชักช้าแม้แต่น้อยรีบหยิบก้อนเงินออกมาส่งให้ทว่าเซียชิงจูกลับไม่รับแต่นางกลับเดินถอยออกไปสองสาก้าวเมื่อเว้นระยะห่างได้พอสมควรแล้วนางก็ออกคําสั่งอย่างเฮี้ยมเกรียม ปาใส่ข้าเจนจูตกใจจนแท่งขาอ่อนแรงสุดเข่าลงกับพื้นคุณหนูบาบาๆจะทำเช่นนั้นได้อย่างไรเจ้าคะแววตาของเซียชิงจือเยินเยียบดุดคมมีดหากไม่ทำตามที่สั่งข้าจะให้ทานาขายเจ้าออกไปเสียใบยหน้าเล็กๆของเจนจูสีดเผือดลงทันทีเร็วเข้าภายใต้สายตาอันเฉียบคมของเซียชิงจือเจนจูยืนขึ้นด้วยอาการสั่นเทาค่อยๆชูก้นเงินขึ้นเซียชิงจือกาชับอีกครั้ง ออกแรงหน่อยเล็งไปที่หน้าผากต้องให้เลือดออกให้ได้เจินจูสั่นสถานยิ่งกว่าเดิมแทบจะร้องให้ออกมานางกัดฟันใช้แรงทั้งหมดที่มีขว้าก้อนเงินใส่ก้อนเงินกระแทกเข้าที่หน้าผากเสียงดังตุบทึกๆก่อนจะร่วงลงสู่พื้นความเจ็บปวดรุนแรงทำให้เสี่ยชิงจือร่างโอนเอหนังรีบเย็นภูเขาจําลองไว้เพื่อส่งตัวเลือดสดๆไหลรินลงมาจากหัวคิ้วซึมผ่านผ้าคลุมหน้าจนกลายเป็นรอยเลือดเจินจูรีบเข้าไปประคองคุณหนูท่านท่านเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะ เซี่ยชิงจือสูดหายใจลึกสองครั้งเพื่อตั้งสติข้าไม่เป็นไรนางเง่อยหน้าขึ้นจ้องคำแหงไปที่เจินจูเค้นคำพูดออกมาจากซอกฟันจำไว้ประเดี๋ยวข้าพูดอะไรเจ้าก็ต้องว่าตามนั้นหัดฉลาดให้ถูกเวลาร่วมมือกับข้าได้ยินหรือไม่เจินจูพยักหน้าพลันเซี่ยชิงจือกระซิบสั่งความข้างหูเจินจูไม่กี่ประโยคจากนั้นก็ก้าวเดินมุ่งหน้าไปยังประตูเรือนทว่านางไม่ได้ก้าเข้าไปเพียงแค่ตอนที่เดินผ่าน นางก็กลุ้มหน้าผากแล้วแซงทําเป็นหน้ามืดล้มพับลงไปทันทีเจนจูตกใจหวีดร้องลัน่นคุณหนูสิ้น อ, องและหวังเฟยถูกทําให้ตกใจทั้งสองหันมาเห็นนางล้มพับอยู่ตรงประตูเรือนพอดีจึงรีบเข้ามาช่วยกันประคองนางขึ้นมาบาดแผลบนหน้าผากและรอยเลือดบนผ้าคลุมหน้าทําเอาสองสามีภรรยาสิ้นอองตกตะลึงจนตาค้างสิ้น อ, องอุทานแค่ล้มเบาๆ เ, เหตุใ ด, ดถึงบาดเจ็บหนักเพียงนี้หวังเฟยยิ่งร้อนใจ นี่ไม่ใช่แผลจากการล้มแล้วชิงจือเหตุใดเจ้าถึงเจตัวขนาดนี้และนี่ไปที่ไหนมาเสียชิงจือพยายามเข็นยิ้มออกมาแล้วกล่าวว่าท่าน อ, องกับท่านน้าอย่าได้กังวลไปเลยชิงจือเพียงแค่รู้สึกอึดอัดเล็กน้อยเลยออกไปเดินเล่นไม่ระวังไปเดินชนกับคนอื่นเข้าเลยได้แผลภายนอกมานิดหน่อยเท่านั้นเจ้าคะ่ะสิ้น อ, องตกใจแผลขนาดนี้จะเรียกว่าแผลภายนอกได้อย่างไรใครก็ได้รีบไปตามหมอมาเร็วหวังเฟยปวดใจยิ่งนัก เดินชนกับคนอื่นจะเจ็บหนักขนาดนี้เชียวหรือชิงจือเจ้าไปเดินเล่นที่ไหนมากันแน่เสียชิงจือก้มหน้าลงทำท่าทางเหมือนอยากจะพูดแต่ก็ไม่กล้าดูลำบากใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อเห็นเช่นนั้นสองสามีภรรยาสิ้นอ๋องก็รู้ทันทีว่ามีเงื่อนงำสายตาของทั้งคู่หันขอบไปจ้องที่เจรจูพร้อมกันพูดมาคุณหนูเสียไปที่ไหนมากันแน่